มิลินทะปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทะปัญหาเมนกะปัญหาตฏทยวัคคาถาพิคีตะโภชนาธานะกฐายะกฐนะปัญหาที่เจ็ดถามว่าพระพุทธเจ้าไม่บริโภคอาหารที่เกิดแต่กล่าวคาถาเหตุอะไร จึงแสดงฐานะคถาให้เขาบริจาคทานแก่สา ว, วกเล่าราชาสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชโอการตรัสถามซึ่งอัตถปัญหาอันสืบต่อไปว่าพันเตนาคาเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้จำเรินภาษิตังเจตังสมเด็จพระพุทธเจ้ามีพระพุทธดีกาโปรดไว้ว่าพรมประพติฉันใด พราหม์ทั้งหลายก็ประพฤติเหมือนเท้ามหาพรหมส่วนสมเด็จพระพุทธเจ้าทั้งปวงเล่าก็ประพฤติเหมือนพรหมแต่ทว่าจะได้บริโภคอาหารอันเกิดแต่กล่าวคาถานั้นหาไม่ได้เดิมพระองค์ตรัสไว้ชนี้ปุณะจักครันยืดมาเล่าเมื่อพระองค์เจ้ามีพระพุทธดีกาตรัสเทศนาแก่บริษัทธทั้งหลาย พระองค์ตรัสปริยายเป็นอนุปุปภิกถาคือกล่าวทานนากถาก่อนแล้วสีลากาถาต่อภายหลังภาษิตังสุ ต, ตวาเทวดามนุษย์ทั้งหลายได้ฟังพุทธภาสิตนั้นจึงชวนกันถวายทานเพราะพระองค์กล่าวทา น, นากาถาจึงได้ถวายทานสืบๆกันมาส่วนว่าสาวกทั้งหลายปริปุนชันติได้บริโภคซึ่งทานนี้ เพราะพระพุทธองค์เจ้ากล่าวทานกขาสัพถ้าว่าสมเด็จพระพุทธเจ้าตรัสว่ามิได้บริโภคอาหารอันเกิดด้วยกล่าวคาถาแล้วคำที่ว่าพระองค์เจ้ า, ากล่าวทานกถานั้นก็ผิดเป็นมิจฉาทว่าสมเด็จพระพุทธเจ้ากล่าวทานกถาแล้วคำที่ตรัสว่ามิได้บริโภคอาหารอันเกิดแต่กล่าวคาถาก็เป็นมิจฉาคําผิด ตังกิงการนังที่โยมว่านี้ด้วยเหตุฉะไหนเหตุที่ว่าบินทบาทที่ทัคินายบุคคลรับเอามาได้นั้นก็เป็นเพราะสมเด็จพระมหาการุณาสำแดงอานิสงทานเทพามนุษย์ได้สวราการฟังธรรมเทศนาก็มีจิตเลื่อมใสชักชวนกันถวายทานเตทานิปริพุนชันติภิกษุสงฆ์สาวกได้รับทานนั้น สเปปิเตเอร์กระนันภิกษุสงสาวกจะมิพากันฉันคาถาพิขีตังซึ่งอาหารอันเกิดเพราะคาถาอันพระมหาการุณาเจ้ากล่าวแลหรืออยังปัญนโหอันว่าปัญหานี้อุพัทโตโกติโกเป็นอุพัโตโกตินิปุโนสุขัมพิโรและเอียดลึกซึ้งยิ่งนัก ขอพระผู้เป็นเจ้าจงวิสัชนาให้แจ้งประจักษ์แก่ข้าผู้ชื่อว่าพระยามิลินในการบัดนี้เทโรครั้งนั้นพระนาคเกษ จ, จึงมีเถระวาจาว่ามหาราชดูกะระบพิษผู้ประเสริฐข้อที่พระมหากรุณามีพระพุทธดีกาโปรดประทานไว้ว่าพระองค์ไม่ได้ฉันซึ่งอาหารอันบังเกิดแต่กล่าวคาถาตรัสไว้ชนนี้แล้วจึงมีพระพุทธดีกา พระพุทธดีกาตรัสพระสัท ธ, ธรรมเทศนาทานกถาก่อนเทพามนุษย์นี้ก่อนคณะได้ฟังธรรมเทศนาของพระองค์ก็บังเกิดสมนัติศรัทธาถวายทานสืบสบกันมาสาจปณะกิริยาแม้อันว่ากิริยาที่สมเด็จพระมหากรุณาตรัสพระสัทธรรมเทศานานี้เป็นประเวณีแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายในการก่อน สัพเพตถาคตาสมเด็จพระพุทธเจ้าทั้งหลายแต่ก่อนพ้นอภิรมาเปตวายังสาธุชนให้ชื่นชมยินดีด้วยทานกถาแล้วก็ให้ตั้งอยู่ในศีลห้าเป็นนิดแล้วก็ให้ประดิษฐานอยู่ในศีลแปดประการต่อภายหลังบพิษพระราชสมภารพระองค์เจ้าทรงสนาการสดับฟังซึ่งอุปมาเกิดทานกถฐานี้ มิอุปมาดุดมนุษบุคคลทั้งปวงจะกระทาการสิ่งใดๆปรารถนาจะกระทาให้ทารกอันเป็นบุตรแห่งตนมิให้รบให้กวนใจจึงให้ของเล่นนั้นต่างๆวังกังคือถยคาตะกังคือหม้อน้อยอุคลิกังคือหม้อข้าววิงคุลิกังคือตุ๊กตาลมลุกปัตตาหะระกังคือบาดภาชนะและทนาน รัถักกังคือรถน้อยน้อยทนุกังคือทนูน้อยน้อยอุตสาหะหาให้ลูกเล่นก่อนเพื่อจะไม่ให้ลูกของตนอ่อนให้เพลินไปด้วยของเล่นแล้วจึงฝึกหัดให้กระทําการไรานาสัพพากิจทั้งปวงต่อภายหลังยะถาอันนี้มีครุวนาฉันใดมหาราชะดูกระบพิษพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสรศิฐ อันองสมเด็จพระมาหากรุณาสัมมาสัมพุทธเจ้านี้พระองค์สำแดงซึ่งทานากถ า, าก่อนแล้วจิงสำแดงสีลากถ า, าต่อภายหลังมีอุปมาเหมือนบุรุษฉะนั้นมหาราชะดูกระระพระองค์ผู้ประเสริฐอัตมาภาพจะอุปมาให้พระองค์ฟังอีกข้อหนึ่งเล่าพิงสะโกพระพุทธเจ้านี้เปรียบดุจหมอยารักษาโรคอันกล้า ควรที่ว่าจะให้กินยาเข้าน้ำมันจะตูหังเตลังปาเยติก็ให้คนนั้นกินน้ำมันใสสิ้นสี่ห้าวันก่อนแล้วจึงวางยาปัจจุรุทายต่อภายหลังความดังนี้มีครุวนาฉันใดนะบอพิษพระราชสมภารสมเด็จพระบรมโลกุตมาจารย์เจ้าก็เหมือนกันให้คนทั้งหลายนั้นฟังทานกถาเสก่อน แล้วยังมนุษย์นิกรเทวาให้ตั้งอยู่ในศีลห้าศีลแปต่อภายหลังมีอุปมาเช่นนั้นมหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารจิตของท่านทายกนั้นมุทุ ก, กังอ่อนสินิทังเย็นสนิทคิดแต่ว่าจะกระทําทานทอดเป็นสะพานข้ามสงสารสาครเข้าสู่พระนิพพานตัดสมาเหตุดังนั้น พระองค์จึงสั่งสอนว่าให้ทานเป็นกรรมาภูมิคือเป็นภูมิที่จะสร้างซึ่งบารมีกิษดาพินิหารก็แหละพระพุทธดีกาของพระองค์คือเป็นภูมิจะเป็นกายวิญยัตรหรือว่าจีวิญญัติไม่ควรบริโภคทานที่เขาถวายนั้นหาไม่ได้สมเด็จพระเจ้ามิลินจึงถามต่อไปเล่าว่าพันเตนาคาเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชา พระผู้เป็นเจ้าว่าวินยัตวินยัตดังนี้วินยัตนั้นมีกี่ประการพระนาคเษนจึงมีเถระวาจาว่ามหาราชขอถวายพระพรบวพิษพระราชสมภารวินยัตมีสองประการคือกายะวินยัตประการหนึ่งวจีวินยัตประการหนึ่งสิลิเข้าเป็นสองประการและกายะวินยัตนั้นแบ่งออกไปเป็นสองประการ กายวิญญัติเป็นสาวัตชัมีโทษประการหนึ่งกายวิญญัติเป็นอนัวัตชะหาโทษไม่ได้ประการหนึ่งฝ่ายว่าวจีวิญญาตเล่าก็แบ่งออกเป็นสองคือวจีวิญญาตเป็นสาวัตชะประกอบด้วยโทษประการหนึ่งวจีวิญญัติเป็นอนัวัตชะหาโทษไม่ได้ประการหนึ่งกาตมากายวิญญาติสาวัตชาขอถวายพระพร กายวิญญัติประกอบด้วยโทษนั้นอย่างไรอิเทกัจโจภิกขุได้แก่ภิกษุบางรูปอันเข้าไปสู่ตระกูลในบ้านยืนอยู่ในที่ไม่เป็นโอกาสอันสมควรจะยืนตามลำดับตรอกและเสียซึ่งที่อันสมควรเสียนี้เป็นกายวิญญัติประกอบด้วยโทษพระอริยเจ้าทั้งหลายโสดจะได้เลี้ยงชีวิตด้วยกายวิญญาติอันประกอบด้วยโทษเช่นนั้นหาไม่ได้ และพระภิกษุเลี้ยงชีวิตด้วยกายวิ ญ, ญยัตอันประกอบด้วยโทษนี้โอยาโตเป็นที่พระอริยะเจ้าดูหมิน่นขีริโตเป็นที่ติเตียนปริภูโตเป็นที่สำรวมอปจิตติกโตเป็นที่มิได้คำรบฮีริโตเป็นที่ดูแคลนคาริโตเป็นที่นินทาเรียกว่าภิกษุนั้นเป็นพินาชีวะ เลี้ยงชีวิตผิดธรรมปุณะจะปรังอีกประการหนึ่งเล่ามหาราชะดูรานะบพิษพระราชสมภารเจ้าพระภิกษุบางรูปเล่าเข้าไปสู่ตระกูลสถิตยอยู่ที่โอกาสอันมิควรเพ่งเล็งประหนึ่งว่านกยุงแล้วคิดว่าตระกูลเคยดูมหรสบการเล่นอย่างไรอัตมานี้จะให้เห็นอัตมาเหมือนดังนั้น คิดแล้วกระทําสําแดงกายให้คนทั้งหลายเห็นแล้วได้ลาบสักการะมาชื่อว่าสาวัชฉกายวิญญัติพระอริยะเจ้าทั้งหลายมิได้เลี้ยงชีวิตด้วยสาวัชฉะกายะวิญยัตติกายะวิญยัตอันมิชอบนี้ย่อมติเตียนว่าเป็นพินาชีวะเหมือนกันมหาราชาดูรานะบพิษผู้ประเสริฐกายวิญญัติที่เป็นอนัวัชฉะนั้นอย่างไร ได้แก่พระภิกษุบางรูปอันเข้าไปสู่ตระกูลสโตมีสติปัฐานภาวนาสมาฮิโตเป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในภาวนาสัมปัชาโนมีสัมปชัชญะญรู้สึกตัวอยู่ไปสู่ที่อันควรจะได้หรือมิควรจะได้โดยฐานุโสถีแล้วยืนอยู่ถ้ามีทายกจะให้ก็พึงยับยั้งอยู่รังรอรับทาน เมื่อทายกไม่ปรารถนาจะให้ปักกมิตภาก็พึงลีกไปเสียพระภิกษุเหล่าใดหมู่ใดพวกใดกระทาตรงไปตรงมาได้ดังนี้ชื่อว่าอนณวัชกายะวิญยัตหาโทษมิได้ต้องด้วยวินัยพระอริยเจ้าทั้งหลายย่อมเลี้ยงชีวิตด้วยอนณวัชกายะวิญยัตเช่นนั้นและพระภิกษุเลี้ยงชีวิตเป็นอนวัชกายวิญยัต ปสัสสโธพระอริยเจ้าย่อยกโทมิโตยินดีสันเสริญวันนิโตพันานาคุณเป็นอเนกประการได้ชื่อว่าเป็นสันเลคิตาจาร์ประพฤติสันเลขามักน้อยอันหนึ่งชื่อว่าเป็นบริสุทธาชีวีเลี้ยงชีวิตโดยชอบธรรมบริสุทธนักนะบ่อพิษพระราชสมภารภาสิตังเจตัง ถ้อยคำที่สมเด็จพระชินสีห์ผู้เป็นยอดแห่งเทวดามีพระพุทธดีกาโปรดประธานไว้ด้วยคาถาชนิดนัเวยาจติสัพ ป, ปัญโยเทโรปรเวทิตุมรหติยังอุทิศอริยาติถันติเอสอาอริยานางยาจนาดังนี้กระแสพระพุทธดีกาโปรดไว้ว่า ที่โรอันว่าพระภิกษุเป็นนักปราดประกอบด้วยปัญญาย่อมไม่กระทํากายวินยัตอรหหติควร น, นักหนาเพื่อจะสันเสริญเยืนโยยังอุทิศอริยาพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านปฏิบัติซึ่งกายวินยัตอันมิได้เป็นอนัววัชชะคือขอด้วยกิริยาอันยืนนิ่งๆพระภิกษุผู้ประกอบด้วยปัญญา พึงปฏิบัติตามในการบัดนี้เมื่อพระน้าเกษณ์ถวายวิสัชนาชนีแล้วจึงตั้งเป็นกเถตุกามยตาปุจฉาต่อไปว่ากตาตมาปิวจีวิญยติสาวัตชาวจีวิญยติที่ประกอบด้วยโทษนั้นประการใดแล้วจึงถวายวิสัชนาต่อไปว่าอิเทกัจูจมหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภาร ได้แก่พระภิกษุพานพวกอารัชีวิญญาเปติขอซึ่งวัตถุมีประการต่างๆคือจีวรและบินทบาทและเสนาสนะและขิลานะปัจจัยเพสัชบริคารขอต่อทายกด้วยวาจาอายังอันว่าสิ่งนี้ชื่อว่าวาจีวิญญัตประกอบด้วยโทษพระอริยะทั้งหลายโสดมิได้ประพฤต ย่อมเบื่อหน่ายนินทาว่าเลี้ยงชีวิตเป็นพินาชีวะควรจะคอรหาปุณะจะปรังมหาราชะอีกประการหนึ่งเล่าขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารอิเทกัจโจพระภิกษุพานพวกอรารัชีย่อมยังท่านทายกให้เข้าใจด้วยวาจาว่าอิมินาเมอโถ ร, รูปนี้ ประโยชน์ด้วยจะใครได้วัตถุสิ่งนี้สิ่งนี้มีลาภเพราะวาจาขอตอบบริษัทดังนี้ชื่อว่าวจีวินยัตมีโทษพระอริยะทั้งหลายโสดติเตียนนินทาว่าเป็นพินาชีวะเลี้ยงชีวิตไม่ชอบธรรมปุณะจะปรังมหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารอีกประการหนึ่งเล่าอิเทกัจโจภิขุ พระภิกษุบางหมู่เล่าในพระบวรพุทธศาสนานี้ใช้วิธีหมอดูยังบริษัททั้งหลายให้รู้วัตถุวิชาวิภาเรนะด้วยดูที่ไร่ที่นาว่าจะมีโทษอุบาทฉันใดให้เร่งกระทำบุญให้ทานอันตรายจริงจะหายส่วนบริษัทสัตว์บุรุษทั้งหลายนำมาซึ่งลาบสการะต่างๆแก่ภิกษุนั้น อย่างนี้ชื่อว่าวาจีวิญญัติประกอบด้วยโทษพระอริยะไม่โปรดสันเสริญย่อมจติเตียนนินทามหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารจงทรงพระสวนาการซึ่งเยี่ยงอย่างนี้เถิดว่าพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรผู้เป็นเอกอัครสาวกผู้ใหญ่ครั้นเวลาสายันหะสมัยเย็นลงอัตถังขเม เพลาอัสดงสิ้นสีพระสุริยาคิลาโนพระผู้เป็นเจ้าเป็นไข้ไปจนราตรีภาคพระโมคคัลลานเถระเห็นลำบากจึงถามว่าเมื่อก่อนเคยบริโภคเภศั์สิ่งไรโรคจรึงหายพระธรรมเสนาบดีจึงบอกว่าโรคเคยคลายด้วยบริโภคน้ำนมโคพระสารีบุตรบอกเท่านี้ เทวดาสิงอยู่ที่นั้นก็เข้าไปโดนใจสาธุชนให้เอาน้ำนมโคมาถวายฝ่ายพระสารีบุตรจึงมาจินตนาการว่าเภสัตยานมโคที่มีมาวาจีวิภาเรเนณะด้วยวาจาอัตมาพูดออกไปจึงได้มาอานิจจาอานิจจามะมะอาชีโวการเลี้ยงชีวิตของอัตมานี้จะทำลายจากฝ่ายบริสุทธิ์เสียแล้ว พระสารีบุตรจึงไม่ได้ฉันเพยสัตนมโคนั้นนี่แหละอันพระอริยเจ้าทั้งหลายนั้นณอุปชีวันติจะได้เลี้ยงชีวิตเป็นวจีวิญญัตมีโทษ ด, ดังนี้หาไม่ได้มหาราชะขอถวายพระพร อ, อันว่าวาจีวิญญัตหาโทษไม่ได้นั้นเป็นประการใดเล่าขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภาร ว่าจีวิญญาติที่พระพุทธองค์ประทานไว้ว่าทายกผู้ใดประวารณาไว้ว่าผู้เป็นเจ้าขัดเพศสัตว์สิ่งใดก็บอกเถิดโยมจะหาถวายถ้าทายกทั้งหลายเขาประวารณาอนุญาตไว้พระภิกษุเจ็บไข้ลงก็ขอได้ไม่มีโทษถึงพระอริยเจ้าทั้งหลายนั้นโสดถ้าทายกประวารณาไว้เมื่อเจ็บไข้ ก็บอกขอได้ไม่มีโทษทันแม้สมเด็จพระสัพพันยูเจ้าก็ได้ตรัสโปรดอนุญาตไว้อย่างนี้แลเรียกว่าวาจีวินยัตไม่มีโทษอันหนึ่งสมเด็จพระโคโดมสัพพันยูบรมครูเจ้าของเรามิได้รับจังหันอันกาสิภาระทวาชพรามถวายด้วยจังหันนั้นเกิดด้วยพระองค์เจ้าเพียรไปทรมานพราม ด้วยเปล่งออกซึ่งบาทพระคาถาตัดสมาเหตุดังนั้นสมเด็จพระสัพพันธ์อยู่เจ้าจึงห้ามเสียซึ่งจังหันนั้นจะฉันหาไม่ได้บพิษพึงสันนิฐานเข้าพระไทยด้วยประการเชนี้ขณะนั้นสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสถามว่าพันเตนาคเสนฆ่าแต่พระนาคเสนผู้ประกอบด้วยยานปรีชา เมื S <S. <S. ่อสมเด็จพระบรมนายกโลกกันนาเจ้าเสวยจังหันนั้นเทวดาเอาโอชาทิพมเรียรายถวายทุกครั้งหรือหรือว่าเทวดาเอาโอชาทิพมาถวายครั้งเดียวเมื่อเสวยสุกรอ่อนของนายจุนเท่านั้นนิมนต์วิสัชนาให้แจ้งก่อนพระน้าเกษมมีวาจาว่ามหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภาร สมเด็จพระบรมโลกุตมาจารย์เสวยเวลาใดเทวดาเอาโอชาทิพมาใส่คราวนั้นเป็นว่าค่อยใส่ทีละคำอาหารที่เสวยทุกคำไปจะได้ละได้เว้นนั้นหาไม่ได้มหาราชาขอถวายพระพรบ๊บพิษพระราชสมภารเปรียบปานดุดพ่อครัวเมื่อบรมกษัตริย์จะเสวยพระสุธาหารพ่อครัวจึงเข้าไปนั่งใกล้แล้ว ใส่ซึ่งสูบไยรสลงทุกคำข้าวที่เสวยนั้นยะถามีครุวนาฉันใดสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเมื่อจะเสวยอาหารบินทบาทนั้นเทวดาเอาโอชาทิพมาใส่ทุกคำทุกคำเหมือนพ่อครัวอันใส่สูบไยรสทุกคำเสวยฉะนั้นครั้งหนึ่งเล่าเมื่อสมเด็จพระสัพพันยูเจ้าสเสด็จอาศัยเวรัญชขามนั้น เสวยข้าวรางมา้าเทวดาก็เอาทิพโอชามาปนเข้ากับข้าวรางม้าให้ชุ่มชื่นให้พระองค์เสวยเหตุดังนั้นพระกายสมเด็จพระสัพพันยูจึงเป็นปกติอยู่จะได้ผอมไปหาไม่ได้ขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิรินปินประชากรได้สวนาการฟังพระนาคเษนพยากรแก้ปัญหา จึงสรรเสริญพระบารมีของสมเด็จพระมหากรุณาว่าพันเตข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าสมเด็จพระชินเนธน์บพิษพิชิตตมานี้พระบารมีมากนักหนาจนชั้นแต่เทวดาก็อุตสาหะมาปฏิบัติทุกเวลาเสวยอันนี้ก็เป็นลาภอันเลิศของเทวดาสัมปติฉามิ ยมจะรับเอาถ้อยคำของพระผู้เป็นเจ้าไว้ในการบัดนี้คาถาพิขีตภูชนาฐานะกะถายะกันะปัญหาเป็นคำรบเจ็ดจบเท่านี้